เนกาทีฟหรือ positive ก็แล้วแต่มีพลังงานดับอยู่ด้วยเราสมมุติว่าส่วนที่มันเกิดเป็นโพสิทีฟส่วนที่มันดับเป็น negative แต่พอในส่วนที่เป็นนามกับว่าการดับกลับเป็นโพสิทีฟการเกิดกลายเป็น n เนก t i v e เราก็มาใช้กับขั้วไฟเป็น ข, ขั้วบุโ ข, ขั้ลบเมื่อสองขั้วนั้นมันมา <c oughs> ปรับความสมดุลได้พอดีมันก็ให้เกิดแสงสว่าง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 ไอทําให้ใจเราไ ม, ไ, มไม่รับไม่ได้คือ พ, พลาดลาดอย่างสิ่งที่เรามีอยู่เรามีเงินหนึ่งล้านในวันนี้เรามีเงินล้านวันนี้กลับออกไปไปดูในบัญชีตัวเลขมันหายไปเกิดอะไรขึ้นกรรมฐานที่ปฏิบัติมาเจ็ดวันหายแวบไปทันทีเ <c oughs> งินหายจากบัญชีหนึ่งล้านไม่รู้ใครแฮกไปกรรมฐานสลายตัวลงทันทีเลย <c oughs>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 การที่เราเข้าไปสาคัญมันหมายความสบายอยากจะให้สบายมันเพิ่มขึ้นอยากจะนั่งอยู่นี้อย่างสบายไม่อยากให้มันหนักไม่อยากให้ไม่หนุไม่อยากให้มันปวดเลยเนี่ยอยากใค่ไ่อยู่นานๆแต่ว่ามันเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการไหมความอยากเป็นกาตัญหาโปโนภวิกานันธิราคะสหกตาเพราะเราไปนันธิราคะไปเพลินในความสบายนั้นๆก็ให้เกิดข่าว่าตัญหาสามอย่าง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 ลำพังแต่ดวงตาไม่มีแสงสว่างดวงตาทางานได้ไหมไม่ได้ในที่นี้เราเปิดปิดไฟทั้งหมดนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดแผนิดขึ้นทันทีใช่วุ่นวาย้นทันทีว่าทาไมมืดก็เปิดแสงสว่างจากของอุทบาทิใช้แสงสว่างอีกสตัวยานปัญญาวิชาและอโลกะแปลว่าแสงสว่าง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 ในยี่ห้อไหนเท่านั้นเองยี่ห้ออีซูซูโตโยต้าคือตระกูลของเราก็คือยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมสร้างมาดีไหมสร้างมาดีก็โอเคไม่เส <tinc S 2> ียง่ายเขาเรียกสกุลนั้นสกุลนี้ตาจะดีที่เรียกว่าสมาธิที่ท่านให้เดฟ n i t ช o นไว้เสียหนึ่งเห็นรูปเห็นนามเนี่ย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 ทำและวินัยใดที่เราตรัสสอนไว้ในที่ต่างๆทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราใช่ไหมไม่ได้ตังดูก่อนไกสปะต่อไปถึงจูงเป็นประธานแทนเราหน้าแตาไม่ได้ตัดทำและวินัยใดที่เราตรัสไว้ในที่นั้นๆเป็นเวลาสี่สิบห้าปีทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราพระธรรมคือเรามาไปแบบสมมติว่าพระธรรมคือคาสอนของท่านใช่ไหม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 อาการสถิสองหอสุภะใช่ไหมหรือปฏิกูลแล้วกรมานมีหอย่างเนี่ยก็เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับอินทีย์ของเราเขาบอกอานาปนสติดีคุณก็ทําอย่างนั้นทั้งที่ยี่ห้องของคุณมันไม่ใช่เวอร์ชันของคุณไม่ถึงคุณจะดันทุนดังไปทํามไม่เสียเวลานะอามาก็เหมือนกันนะพอไปเจอเวอร์ชั่น ยีห้อยสูงแบบหลวงพ่อพทธท่านมาไม่ไหวแล้วเราดันทุนลังไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็หาอาจารย์หนุใหม่มาเจอญหลวงพ่อเทียนพอดีเลยมาใช้เวอร์ชันที่สองใช้รีย บ, บทสี่และสัมปทายะเออรับได้เวอร์ชันนี้พอดีก็บอีซของเราเลยก็ทำตั้งแต่ตั้งแต่พบท่านจนถึงป่านนี้ไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนะทำอางน้มาตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งเกจนมาถึงปัจจุบันนะ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 แต่ถ้าไมดวงตาไม่ได้แสงสว่างแล้วดับเพราะดวงตาแสงสว่างมันมี4ระดับใช่ไหมดวงตา แ, แสงสว่าง25เห็นได้แค่25คุณหายโรคสามอย่างหายโรคสักยะทิฏฐิโรควิจิขิชาโรคสีละปะัจจรมารคุณหายโรคสามอย่างนี้ถ้าแสงสว่างคุณ25หมายความว่ามุมหนึ่งละ ดวงไฟอยู u, ่ม <Okay. S 1> <ạ. S 2> ุมหนึ่งแต่อีก3มุมเป็นไงยังมืดอยู่ใช่ไหมอ่าคุณทำต่อไปพัฒนาแสงสว่างพัฒนาสติสัมปชัญต่อไปพัฒนาปฐมมาอ้าวเกิดดวงไฟดวงสองมุมที่สองได้อีก 25% เปร็นเท่าไหร่หเออีกสองมุมได้เป็นไงยังมืดอยู่อ่าคุณเจริญสติสัมปัญต่อไปเจริญไปเจริญมาอ้าวได้ดวงตาได้ดวงตาได้แสงสว่างขลิคมุมที่สม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 ใหญ่หบทย่อยไปพร้อมๆกันธา C ุสีอาการ 3. าสองแล้วก็อาชุพะทั้งหมดเนี่ยทั้ง6เนี่ยย่อให้มันเหลือ3าสความรู้สึกไม่คืนจําได้อยู่ไหมย่อให้มันเหลือ3ความรู้สึกทั้งหเนี่ยย่อให้เหลือ3าความรู้สึกความรู้สึกอะไรบ้างสบายไม่สบายแล้วก็าเป็นกลางนะก็ย่อให้เสือความรู้สึกแล้วทําความ